บ ท, บทสวดพิเศษที่เราเพ่งสายายเมื่อกี้คือมองคลสูตรเป็นบทสวดที่สำคัญแล้วก็น่าศึกษาให้สังเกตว่าทั้ง38ประการเนี่ยที่เรียกว่ามงคลอันสูงสุดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องทำด้วยตัวเองท่านใช้ว่า กิจสี่อย่างนี้กิจสามอย่างนี้เป็นมงคลอังสูงสุดปกติเวลาเราพูดถึงมงคลเราก็นึกถึงวัตถุมงคลวัตถุมงคลเช่นาสายศิล น, น้ำมนต์หรือว่าพระธาตุอาจจะรวมไปถึงสิ่งแปล ก, ปลกใหม่ๆที่คิดกันขึ้นมา ที่ผ่านการปลุกเสกเช่นพระเครื่องหรือว่าป้ายที่อวยพรให้ร่ารวยอันนี้ก็รวมเรียกว่าวัตถุมงคลคนเราก็เชื่อว่าจะได้วัตถุมงคลเหล่านี้แล้วก็จะเกิดสวิตมงคลกับตัวเองอันนี้ก็จริงอยู่นะแต่ว่ามันไม่ใช่มงคลอันสูงสุด ถ้าต้องการมงคลอันสูงสุดนี้ไม่มีทางอื่นนอกจากต้องทำเองไม่มีใครให้เรามาได้ซื้อก็ไม่ได้นะเราซื้อวัตถุมงคลที่ซื้อได้แม้จะราคาเป็นล้านก็มีบางคนสามารถหาซื้อมาได้เช่นพระเครื่องหรือพระสมเด็จนะอันนั้นก็เป็นวัตถุมงคล แต่ว่ายังไม่ถือว่าเป็นมงคล น, นั้นสูงสุดาการกระทำที่เป็นความดีนี่แหละที่เราเรียกว่าเป็นมงคล น, นั้นสูงสุดที่เงินซื้อไม่ได้แต่ต้องทำเองคนไม่มีเงินก็สามารถจะได้มาซึ่งมงคล น, นั้นสูงสุดได้ถ้าหากทาทำด้วยกายทำด้วยวาจาทาด้วยใจอย่างที่เราได้สาธยามเมื่อกี้นี้เนี่ย ก็ไม่ใช่เรื่องยากเริ่มต้นข้อแรกก็คือการไม่คบคนพาลคนภายคนชั่วไม่คบในที่นี้หมายความว่าไม่คบคาสมาคมแต่อาจจะรู้จักมีธุระ ป, ป่าปางก็เกี่ยวข้องบ้างแต่ว่าไม่คบสนิทสนมเพราะว่าอาจจะเสียผู้เสียคนแม้ว่าเราอาจจะมีเจตนาดีอยากจะไปช่วยเหลือเขาแต่ก็ต้องระมัดระวัง ต้องวางระยะห่างข้อที่สองคือการควบบัณฑิตนะบัณฑิตนี่เราก็ถือเป็นกัลยะาณมิตรอย่างที่เราได้สวดกันมาสองสาวันก่อนว่ากัลยะาณมิตรเนี่ยไม่ใช่แค่ครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์อย่างที่พระอานนท์เข้าใจพระพุทธเจ้าทักท้วงว่าที่จริงกัลยะาณมิตรคือทั้งหมดของพรหมจรรย์อ่าพรหมจรรย์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการที่ไม่ ไม่มีคู่ครองการเป็นโสดหรือว่าการถือศีลแปดเป็นนักบวชอรมจันในที่หมายถึงการดำเนินชีวิตอันประเสริฐซึ่งมีหลายระดับหลายขั้นครวะญาติโยมก็สามารถจะมีชีวิตที่ถือว่าเป็นอรมจันในความหมายนี้ได้อันเช่นน้ว่า มงคลเนี่ยทำได้ทได้หลายประการเคยพูดมาแล้วว่าบุญเนี่ยบุญนี่มันมี10อย่างไม่ใช่แค่ทานอย่างเดียวแต่ว่าสามารถจะแยกย่อยได้ถึง10ประการซึ่งส่วนใหญ่ไม่ต้องใช้เงินและบางอย่างก็เป็นเรื่องการทำใจเช่นความอ่อนน้อมถ่อมตนนะอย่างมงคล38นี่ก็มีอีกหลายประการเช่น ความเป็นผู้วางง่ายอันนี้ก็คล้ายๆกับความอ่อนน้อมถ่อมตนนะหรือว่าการความสันโดษการรู้จักเคารพความการ ม, มีความเพียรพวกนี้ก็ถือว่าเป็นมงคลนะเป็นบุญได้เหมือนกันพวกเราไม่ค่อยรู้จักบุญในความหมายนี้ยิ่งมงคลด้วยแล้วนี่ก็ไม่นึกว่ามันจะเป็นมงคลแต่ไม่ใช่แค่มงคลธรรมดาเป็นมงคลสูงสุดเลย เพราะว่าจะนําไปสู่ความเจริญเริ่มต้นจากการไม่คบคนณพานการครบบัณฑิตก็จะนําไปสู่การทําความดีอีกหลายประการนะสุดท้ายก็มาลงที่จิตใจก็คือว่ามีจิตกเกษมสารนะมีจิตไรทูเดกิเลสมีจิตมิที่ไม่เศร้าโศกเป็นจิตที่ แม้โลกธรรมมาแตกต้องแต่ก็ไม่ทำให้วันไหวโลกธรรมในที่นี้ก็หมายถึงเหตุการณ์ทั้งที่ดีแล้วก็ไม่ดีทั้งที่เป็นบวกและเป็นลบนะซึ่งก็แยกออกมาเป็นแปดประการนะคือได้ลาบนะได้ยศ สารเสริอแล้วก็สุขสุขอันนี้หมายถึงสุขแบบโลกโลกนะเขาเรียกโลกียสุขแล้วก็มีตามมาอีกสี่ก็คือเสื่อมลาภเสื่อมยศนะแล้วก็นินทาแล้วก็ทุกข์นะทุกข์ในที่นี้ก็อาจจะหมายถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยคือทุกข์แบบโลกโลกซึ่งมันมาคู่กันโลกธรรมนี้คือสิ่งที่ทําให้โลกเป็นไป คนทุกคนก็ต้องหนีไม่พ้นโลกธรรมแปดอิทธารมอนิทธารมโลกธรรมไฟบวกโลกธรรมายลบนะแล้วมันคู่กันก็คือว่าเมื่อได้ลา บ, ลาบก็ต้องหนีไม่พ้นการเสียลาบนะได้เงินมาก็ก็ต้องสูญเสียไปสูญเสียเพราะเงินหายสูญเสียเพราะเขาเอาไป หรือสูญเสียเมื่อเราต้องลาจากโลกนี้ไปยังไงต้องไปแน่ๆนะยังไงต้องพรากจากเราไปแน่ๆถ้ามันไม่พรากจากเราเราก็พรากจากมันมีแค่นี้แหละตอนตายไม่ว่าสะสมอะไรมาก็หมดไม่ว่าจะเป็นเงินทองชื่อเสียงกิตติยศ อ, อำนาจ ตำแหน่งนะเอาไปไม่ได้สักอย่างอันนี้เป็นธรรมดาลโลกแต่ว่าไม่ใช่ว่าเมื่อสูญเสียสิ่งเหล่านี้แล้วจะทำให้เราทุกข์เสมอไปนะถ้าเราปฏิบัติโดยการทำกิจ38ปประการนีนะ้ให้ถึงพร้อม แม้โลกธรรมมาแตะต้องหรือเกิดขึ้นกับเราจิตใจก็ไม่หวันไหวอันนี้แปลว่าไม่ทุกข์ไม่หวันไหวคือไม่ยินดีไม่ยิน้ายแม้ได้มาก็ไม่ได้เพลิดเพลินดีใจแม้เสียไปก็ไม่ได้เศร้าโศกฟูมไฟนะอย่างที่มีคนเขาเขาเขียนสั้นๆว่านะยามรุ่งนะยามสงบ ยามรุ่งเราสงบนะยามจบเราพร้อมจากนะยามรุ่งเราก็สงบ ไ, ม, ไ, ม, ไ ม, ม่ไม่เห่อเหิมไม่ไม่หลงไหลปราบรื้มพระรู้ว่าสักวันหนึ่งก็ต้องอสูญเสียหรือว่าลงต่ํายามรุ่งเราสงบยามจบนะเราก็พร้อมจากนะ นี่คือคนที่เขารู้เท่าทันในโลกธรรมเมื่อเพราะเมื่อเป็นเช่นนั้นก็สามารถที่จะทําใจให้เป็นปกติหรือว่าเป็นความสุขได้สุขในที่นี้คือสุขแบบเรียบๆนะไม่ใช่สุขแบบหวิวาเหมือนกับเวลาเราได้เสพได้บริโภคได้ลาบได้คําชมอันนั้นมันเป็นสุขแบบมีรสชาติหรวิวาแต่ว่า ก็เจอไปได้วยโทษเหมือนกับน้ำหวานนะ่ะน้ำหวานเนี่ยกินแล้วอร่อยมันมีรสชาติอร่อยน้ำอัดลมก็เหมือนกันแต่พอกินไปนานๆเนี่ยมันก็จะเป็นโทษกับร่างกายไม่เหมือนน้ำบริสุทธิ์น้ำฝนน้ำสะอาดมันเจอก็จริงแต่ว่ากินได้ตลอดกินได้ตลอดเวลาเพราะมันเป็นสิ่งที่ร่างกายต้องการจริงๆ วความสุขหวิวาความสุขที่เกิดจากการเสบการบริโภคตอนนี้เราเรียกว่าการมาสุขนะอันนี้เนี่ยมันมันให้รสชาติกับชีวิตก็จริงแต่ว่ามันก็เจือไปด้วยโทษก็คือว่าต้องเหนื่อยในการรักษาต้องเหนื่อยในการดูแลต้องรู้จักต้องรู้สึกกังวลใจเวลามีใครจะมาเอาไป ยิ่งเศรษฐีร่ำรวยก็ยิ่งต้องสร้างบ้านสร้างกำแพงให้มันแน่นหนานะต้องมีสัญญาณการขโมยนี่คือสภาพของคนที่ต้องต้องเหนื่อยออกับการรักษาไปไหนก็ต้องมีบอดี้การ์ดคอยคุ้มครองไม่ว่าคนรวยหรือคนมีอำนาจนะคนมีชื่อเสียงก็เหมือนกันนะจะไปไหนก็ก็ไม่สะดวกใจมีนักร้องชื่อดัง ก็บอกเดี๋ยวนี้เขาเวลากินข้าวกินในบ้านแล้วก็ไม่กล้าออกไปไหนออกไปแล้วมันไม่มีความสุขไม่เป็นส่วนตัวอันนี้คือความคือโทษของความดังนะโทษของการที่ได้รับโลกธรรมฝ่ายบวกก็คือว่าได้รับขันสนเส ร, ร, ริญคือดังมีชื่อเสียงก็ขาดความเป็นส่วนตัวด า, ารานักร้องมีความทุกข์มากในเรื่องนี้เพราะว่าพวก ช่างกล้องก็คอยแอบถ่ายอยู่นั่นแหละพวก ป, ป่าปารัสซี่บางคนก็วิุสาวิ่งหนีก็มันก็ไล่ล่าจนบางทีเกิดอุปัติเหตุอย่างเลดี้แดนน่าเนี่ยคนดังไปที่ไหนใครๆก็รู้จักไปที่ไหนใครๆก็ต้อนรับแต่ว่าไม่มีความสุขหรือว่าไม่สุขอย่างที่คิดเพราะว่าถูกพวก ป, ป่าปารัสซี่พวกนักกล้องตามล่า พยายามขับรถหนีก็ประสบอุบัติเหตุรถชนในอุโมงตายนี่เดือนนี้พอดีนี่ยจะครบสิบสามปีแล้วดาราบางคนก็กุ่มใจว่าข่าวแต่ละวันแต่ละวันในหนังสือพิมพ์มันมีแต่ข่าวไม่ดีข่าวซุบซิบยิมทากี่กับตัวเองมีดาราคนหนึ่งบอกนี่ดาราไทยบอกว่าเนี่ยมันมีสักวัน มันไม่มีสักวันหนึ่งเลยที่จะไม่มีข่าวร้ายๆเกี่ยวกับตัวเองขอสักวันได้ไหมอย่ามีข่าวร้ายข่าวลบเกี่ยวกับตัวเองทำไมถึงมีข่าวลบเพราะมันขายได้แล้วทำไมขายได้ก็เพราะเขาเป็นคนดังเป็นคนดังก็ก็เลยขายข่าวอะไรได้ทั้งนั้นเลยว่าข่าวที่เป็นลบๆนะอันนี้เรียกว่าเป็นสุขที่เจือไปด้วยทุกข์นะ ไม่ว่าเงินทองไม่ว่าล่ำมล่รวยมั่งคั่งมีชื่อเสียงหรือว่าเด่นดังมันเป็นสุขที่เจือไปด้วยทุกข์ซึ่งเราเนี่ยพวกเราไม่ค่อยรู้จักไม่ค่อยเจอแบบนี้เพราะเราไม่ใช่คนเด่งคนดังไม่ล่ารวยคนที่ไม่มีไม่เด่นไม่ดังไม่ล่ารวยก็อยากจะเป็นเหมือนเขาแต่ไม่รู้ว่ามันทุกข์อย่างไรบ้างนะแม้แต่ พระนี่ก็มีปัญหานะมีหลวงพ่อพรมวังโสท่านเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อชาที่เป็นฝรั่งท่านเคยเล่าตอนที่ท่านเป็นพระลูกวัดเนี่ยนะท่านก็อยากเป็นเจ้ า, าวาดเพราะว่าเห็นว่าเจ้าวานี้นะได้รับเ็ษพิเศษหลายอย่างนะมีคนถวายอาหารนะเป็นพาอย่างอัตมาที่ได้เนี่ยทุกเช้า นั่งหัวแถวเวลาได้เวลาฉันอาหารก็ได้อาหารที่ดีก่อนแม้แต่เวลาตักใส่บาตรก็ได้ของดีไปก่อนนะก็อยากได้อยากเป็นเจ้าวาดบ้างแต่พอเป็นเจ้าวาดปรากฏว่าต้องเจอทุกนะคือว่ามีกิจนิมนต์ต้องไปน่่นมานี้ก็ปฏิเสธไม่ได้เป็นเจ้าวาดเนี่ยต้องไปนิมนต์ไปเทศไป ไปทําบุญเลี้ยงพระก็จะเจ้าวาไม่ใช่ไม่ใช่ของดีนะเพราะว่าไม่มีเวลาเป็นส่วนตัวหรือมีเวลาส่วนตัวก็น้อยอันที่ฉนก็มาได้คิดว่าเออตอเราเป็นพระลูกว่านี้เราก็ไม่นึกนะว่าเจ้าว่านี้ก็มีความทุกข์ของเจ้าว่าเหมือนกันเราไปนึกว่าเจ้าวาดนี่มีแต่ความสุขความสบายอันนี้คือคือสิ่งที่เราว่าสุขที่เจือไปด้วยทุกข์นะ หรือความสบายที่มันเจอไปด้วยความความไม่ไม่สะดวกสบายนี่เป็นธรรมชาติของกลามนี่เป็นธรรมชาติของโล ก, กธรรมฝ่ายบวกพืชจาเปรียบเหมือนกับว่าเหมือนกับคบไฟนะที่เวลาเราจุดถ้าคบไฟนั้นทําด้วยฟางทําด้วยหญ้าแห้งเนี่ยมันให้แสงสว่างก็จริงแต่ว่ามันก็มีควันควันนี่ก็แสบตาแสบจมูก แล้วก็ถ้าถือไปนานๆนะเดี๋ยวมันไหม้มือนะเพราะว่าไฟมันลามมาถึงมือมันก็มันก็เจ็บมันพองต้องรีบวางแล้วคบไฟที่แบบนี้นี่ถือไม่ได้นานนะต้องรีบวางถ้าไม่วางก็เจ็บมันลวกมือแต่ระหว่างที่ยังไม่ลวกมือระหว่างที่มันยังไม่ไม่มาลวกมือก็ลำคาญระคายตาระคายจมูก อันนี้คือคือเหตุผลมาทำไมเราถึงไม่ควรยินดีในในโลกธรรมฝ่ายบวกที่มากระทบส่วนโลกกรรมฝ่ายลบนี่ไม่ต้องพูดถึงอู่แล้วไม่มีใครชอบแต่ไม่ได้แปลว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราจะทุกข์นะถ้าหากว่าเราปฏิบัติธรรมจนกระทั่งเรา มีสติปัญญารักษาใจโลกธรรมมันมากระทบไม่ว่าเบวกหรือลบ ก, ก็ไม่ทำให้จิตวันไหวนึกภาพนะเหมือนกับหยดน้ำที่ตกลงมาถูกใบบัวมันกระทบก็จริงนะแต่ว่ามันไม่เปื้อนไม่เปื้อนใบบัว นี่คือธรรมชาติของจิตที่ฝึกเอาไว้ดีแล้วน ะ, วนะเป็นจิตที่เรียกว่าไรทู t ีกิเลสแม้แต่แม้แต่คโคลนน ะ, นะก็ไม่สามารถที่จะฉาบใบบัวให้เปื้อนได้เดี๋ยวนี้นักวิทยาศาสตร์เขากำลังสนใจไว้ใบบัวทำได้ยังไงนะมันมีต้นไม้มันมี พันไม้หลายชนิดที่ทําอย่างนี้ได้คือสามารถที่จะรักษาตัวให้สะอาดอยู่ตลอดเวลานะไม่ว่าจะเป็นฝุ่นไม่ว่าจะเป็นน้ําไม่ว่าจะเป็นโคลนก็ทําอะไรไม่ได้ชีวิตขงคนเรานี้ก็เหมือนกับใบบัวนะก็คือว่าอยู่อยู่ตรงทุ่งโล่งอยู่ที่ที่โล่งนะก็หนีไม่พ้นจะต้องเจอเจอฝน แต่ถ้าคนที่ปฏิบัติดีแล้วเนี่ยฝนก็ทำอะไรไม่ได้ช่วยของคนเราไม่ว่าจะเป็นพระหรือคาราวะเหมือนกับคนที่อยู่กลางที่ที่แจ้งนะเจอแดดก็ย่อมร้อนเจอฝนก็ย่อมเปียกถ้าไม่มีร่มแต่ถ้ามีร่มนะฝนมาก็ไม่เปียก แดดส่องก็ไม่ร้อนล้วคนที่ปฏิบัติทมคนที่สร้างมุมคนอันสูงสุดให้เกิดขึ้ น, นกับตัวก็จะเป็นผู้ที่อยู่กับโลกได้โดยไม่ทุกข์กับโลกคนส่วนใหญ่เมื่ออยู่ในโลก<ม> hmm. เขาก็ทุกข์กับโลกแดดร้อนแดดแรงก็ร้อนฝนตกก็เปียก นะแต่ว่าคนที่ปฏิบัติทมหรือว่าศึกษาดีแล้วเนี่ยศึกษาปฏิบัติดีแล้วไม่ใช่ว่าจะไม่เจอนะจะไม่เจอกับเรื่องร้ายๆจะไม่เจอกับโลกธรรมฝ่ายลบแต่พระพุทธองค์ ก, ก็ประสบถูกนินทาถูกว่าร้ายถูกคนประสงค์ร้ายหลายครั้งแต่พระองค์ก็ไม่ทุกข์นะพวกเรา ที่ฝ่ายบุญชอบทำบุญสุนทานเนี่ยก็ล้วนคาดหวังว่าจะเจอสิ่งดีๆในชีวิตแล้วก็อธิษฐานหรือว่าปรารถนาว่าจะให้เจอสิ่งไม่ดีแต่มันเป็นไปไม่ได้นะแม้ว่าเราจะทำดีทำบุญแค่ไห น, นก็ต้องเจอสิ่งที่ไม่ดีเจอความพัดพรากสูญเสีย อย่าง น, น้อยๆก็ต้องเจอกับความแก่ความเจ็บและสุดท้ายก็ความตายในระหว่างนั้นก็ต้องเจอกับคำตำหนิคานินทาไม่มีใครที่รอพ้อนจากคำตำหนิต้องเจออะไรอีกหลายอย่างที่เราถือกันว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีแม้เราจะทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลมาก็อย่าไปคิดว่าจะไม่เจอสิ่งนี้ แต่ก็ไม่ได้บอกคราว่าเราจะต้องเป็นทุกข์เมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อมันเกิดขึ้นเราสามารถจะรักษาใจให้ไม่วันไหวได้นะก็เพราะเรามีธรรมะเพราะเราฝึกเอาไว้ดีแล้วนะในในบทสวดมงกรลสูตรตอนสุดท้ายนี่ก็จะบอกว่าจะไม่พ่ายแพ้ ในที่ทั้งปวงจะมีความสวัสดีในที่ทุกสถานไม่พ่ายแพ้ก็มีความหมายแบบนี้แหละก็คือไม่พ่ายแพ้ที่ใจในแง่กายอาจจะพ่ายแพ้ต่อความเจ็บความป่วยนะแล้วก็ต้องพ่ายแพ้ต่อความแก่ไม่มีทางไม่ว่าจะพยายามดึงหน้าให้ตึงไม่ว่าจะทำไปผ่าตาัดเสริมทรงยังไงในสุดก็ต้องพ่ายแพ้ ไม่ว่าจะพยายามรักษาห่วงแหนทรัพย์สมบัติยังไงในที่สุดก็ต้องมีคนเอาไปมีคนโกงมีคนหลอกลวงออกไปแต่ว่าเมื่อเจอหิงสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แปลว่าพ่ายแพ้ในพุทธศาสนาหมายความว่าจิตใจนี้ไม่ไพ่ายแพ้นะก็จะพบกับความสวัสดี ในที่ทั้งปวงก็คือแม้ใครจะเอาไปฉันก็ไม่ทุกร้อนนะแม้จะเจ็บจะป่วยฉันก็ไม่ทุกร้อนนะแม้ถึงเวล า, าต้องตายฉันก็ไม่ทุกไม่ร้อนอันนี้ก็เพราะว่ามีธรรมะเป็นเครื่องรักษาใจจริงๆธรรมะก็ช่วยรักษากายด้วยนะแต่ว่า คงรักษาได้ไม่ตลอดหรอกเช่นถ้าเราถือศีลห้าเนี่ยเราก็จะมีสุขภาพดีนะพราะเราไม่กินเหล้าเราไม่ไปทําร้ายใครเขาก็ไม่มาทําร้ายเราเราไม่กินเหล้าก็ไม่ประสบอุบัติเหตุไม่เกิดโรคเช่นพวกตับแข็งไม่สูบบุหรี่ก็ไม่เป็นโรคถุงลมป่งพอ ง, อ, งอันนี้ก็เรยกว่าธรรมะช่วยรักษากายถ้าเรารู้จักสันโดษเราถือศีลแดนะนะก็ เรดพ้นจากอันตรายหลายอย่างนะไม่มีปัญหาเรื่องโรคอ้วนไขมันอุดตันนะอันนี้เราธรรมารักษากายแต่ก็ไม่ได้รักษาได้ตลอดนะเพราะว่าร่างกายมันก็แปรเปลี่ยนไปแต่ว่าธรรมะสามารถรักษาใจได้แล้วนะคนที่เขาเมื่อถึงเวลาที่เขาเจ็บเขาป่วยนะเขาก็ยิ้มได้นะ ใหม่ๆก็อาจจะทำใจไม่ได้แต่พอตั้งหลักได้โอ้มันก็ดีเหมือนกันนะมีนักศึกษาคนหนึ่งพบว่าตัวเองเป็นลิวคีเมียมะเร็งเม็ดเลือดอายุย่อายุแค่ยี่สิบเ็ดปีทีแรกก็ทำใจไม่ได้เพราะว่าหมายความว่าความตายใกล้เข้ามาแต่ตอนหลังเนี่ยเขาก็ บอกว่าเนี่ยมนเล็งนี่มันนำสิ่งดีๆมาให้แก่ชีวิตของเขาสิ่งดีๆนั้นได้กาอะไรบ้างหนึ่งมันทำให้เขาหันมาสนใจศึกษาพุทธศาสนาได้เข้าใจธรรมะสองมันทำให้เขาได้ทราบซึ้งกับความรักของพ่อแม่ตอนไม่ป่วยเนี่ยก็พ่อแม่ลูกก็ห่างเหินกันลูกก็เที่ยวพ่อแม่ก็ทางานแต่พอป่วย พ่อแม่ก็มาดูแลได้สัมผัสกล้ชีกับความรักของพ่อแม่ก็ทราบซึ้งใจประการที่สามมันทําให้เขามีเวลาอ่านหนังสือมากขึ้นนะแต่ก่อนไม่สนใจหนังสือเอาแต่เที่ยวเล่นแต่พอป่วยนอนอยู่โรงพยาบาลก็ทําไม่รู้จะทำอะไรก็อ่านหนังสือก็เพราะว่าหนังสือมันกระดิมกันนะมีเวลาคิดมากขึ้นมีเวลาใคร่ครวญมากขึ้นแล้วก็บอกว่าถ้าเขาไม่เป็นลิวคีเมียเขาก็จะ เหมือนกนักศึกษาทั่วไปเขาอยู่หอพักวัะนั้นเขาจะนเนี้ยทุกวันเขาจะตื่นประมาณบ่ายสามไม่รู้เรียนหนังสือตอนไหนนะคงเรียนประมาณสี่โมงเย็นถึงค่ำนะเสร็จแล้วก็พอเรียนจบเลิกเรียนก็ไปเที่ยวกับเพื่อนกินเหล้าใช้ชีวิตอย่างไม่ใช้ชีวิตอย่างประมาทไม่สนใจความรู้สึกของคนอื่นนะ แต่พอป่วยเป็นเปลูคิมเมียอ้าชีวิตก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะเขาก็ไม่ได้ทุกร้อนนะกับโรคภัยไข้เจ็บมากเท่าไหร่นี่ขนาดคนธรรมดานะที่ยังไม่ได้ปฏิบัติอะไรมากแต่ก็ไม่ไม่รู้สึกทุกข์มาก พ่อแม่หลายคนเขาบอกว่าเนี่ยเออมะเร็งก็ดีมกันนะเมื่อสักเตือนที่แล้วก็ไปเปิดงานหาทุนให้กับเด็กที่เป็นเลวคีเมียเด็กเป็นเลวคีเมียนี่สามสี่ขวก็เป็นแล้วเยอะก็หาทุนให้กับโรงพยาบาลพระมงกุฎองคงการจุลาก็มีเด็กเลวเป็นเลวคีเมียเยอะเขาก็ทำทังเสื้อออกมาก็มีครอบครัว ไม่ใช่แค่ครอบครัวเดียวครอบครัวสองสามครอบครัวก็บอกว่าลิวคเมียนี่มันมะเร็งเนี่ยมันทําให้ครอบครัวของเราใกล้ชิดกันมากขึ้นมีความเข้าใจกันมากขึ้นสนิท ก, กันมากขึ้นนะมันก็แปลกะในะสมัยนี้ครอบครัวพ่อแม่รู้ไม่ค่อยสนิท ก, กันไม่เหมือนสมัยก่อนต่างคนต่างอยู่ลูกไปเรียนหนังสือพ่อแม่ทํางานกลับมา ลูกดูโทรทัศน์คนละเครื่องกับพ่อแม่เพราเดี๋ยวนี้มีโทรทัศน์กันคนละคนละเครื่องหรือไม่ก็ลูกไปเล่นอินเทอร์เน็ตแม่ดูละครเกาหลีส่วนพ่อก็อเล่นเฟซบุ๊กต่างคนต่างสนใจคนละเรื่องคนละทางไม่มีเวลาที่จะมาพบปะพูดคุยสนิทสนมกันแต่พอมีใครสักคนป่วยขึ้นมาทีนี้ นะกลับมาดูแลวใจใสกันเนี่ยคนที่เขามีธรรมะนี่เขาก็จะเห็นเขาก็จะมีมุมมองที่เห็นข้อดีของความเจ็บป่วยนะเมืงหลายคนถึงบอกว่าโชคดีที่เป็นมะเร็งบางคนก็บอกว่าโชคดีที่เป็นเอดนะพรามันทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนอันนี้ก็แปลว่าหมายถึงคนที่เขาไม่ไม่ไมพแพ้ ในว่าร่างกายจะพ่ายแพ้แต่อโลกแต่จิตใจไม่พ่ายแพ้แล้วคนที่เขาถึงเวลาที่จะจะเจ็บจะป่วยเขาก็หรือใกล้ตายเขาก็รับความตายอย่างสงบได้เมื่อปีที่แล้วก็มีโยมคนหนึ่งเข้ามามาขอใช้ชีวิตระยะสุดท้ายที่นี่ก็เป็นมะเร็งมะเร็งที่ปอดไม่เคยสูบบุหรี่เป็นผู้หญิง เขาก็มาปฏิบัติธรรมที่นี่ตั้งแต่เมื่อปีสองแปดนะสมัยตมาก็เพิ่งแค่สองพันศาสามพันศาเขาก็เริ่มมาแล้วเขาก็มาเป็นระยะระยะเมื่อเขารู้วงก็เป็นมะเร็งเขาก็รักษาตามแบบธรรมชาตินะแต่เมื่อรู้ว่าไม่ไหวแล้วเขาก็ขอมาขอมาตายที่นี่นะพูดแบบง่ายๆ เขาก็ไม่ได้ทุกร้อนอะไรนะถามว่าเขาห่วงอะไรไหมเขาก็ไม่ห่วงอะไรไม่ว่าจะเป็นแม่หรือว่าหลานเขาไม่มีสา ม, มีพอเขามานอนทีศนี้ก็เคยถามเขาว่ามีความห่วงอะไรไหมกลัวอะไรไหมก็ก็ไม่มีอะไรแต่เขาห่วงอยู่หน่อยคือว่าตอนที่เขาจะตายเนี่ยเขาไม่รู้ว่าสติที่มีอยู่มันจะเอาสติที่มีนี่จะเอาอยู่ไหม ไม่ว่าจะรับมืออยู่หรือเปล่าเพราะว่าเวลาใกล้าตายอะไระลรจะเกิดขึ้นก็ไม่รู้ความเจ็บความปวดนะหรือว่าความรู้สึกเสียสติความความทุรนทุรายอาจจะมารบกวนอันตมมาก็ถามว่าแล้วตอนนี้เรารู้สึกยังไงตอนนี้สบายก็บอกว่าไม่มีอะไรกังวลเนะขไม่รู้สึกทุกข์อะไรเลย ก็เลยบอกเขาว่างั้นถ้าตอนนี้ไม่ไม่รู้สึกเป็นทุกข์ถึงเวลาที่จะตายก็ไม่มีอะไรต้องกังวลหรอกสติจะเอาอยู่นะสติจะช่วยเราได้ที่เขามาอยู่ใช้เวลาระยะสุดท้ายที่นี่ก็เพราขาอยากจะฟังธรรมะอยากจะได้ยินเสียงพระสวดมนต์ได้ฟังหลวงพ่อเทศกุติก็อยู่ไม่ไกลใจก็น้องไปในทางธรรมะไม่กลัวตาย กนะลัวแต่เพียงว่าเมื่อถึงเวลาจะตายจะรับมือไหวไหมสติจะรับมือไหวไหมก็ให้เขาอยู่กับปัจจุบันถ้าอยู่กับปัจจุบันได้ก็พอแล้วล่ะอยู่ที่นี่ก็มีน้องสาวดูแลคนเดียวไม่มีพยาบาลมีพยาบาลมาช่วยบ้างเขาไม่ได้ต้องการอะไรนอกจากผู้คนพยาบาลหนึ่งคนแล้วก็ออกซิเจนหนึ่งหนึ่งถัง ความปวดนี่ทําอะไรเขาไม่ได้ถ้า ม, มีสติดูดูมันดูความปวดไปไม่ต้องใช้ยาละงับปวดแค่ออกซิเจนที่ช่วยทําให้หายใจได้สะดวกในวันที่มาสุดท้ายนี่อย่างเช้าอยู่เขาก็บอกให้น้องสาวไปไปตักอาหารในครัวน้องสาวก็ไปก็ทิ้งเขาอยู่คนเดียวเขาบอกไม่ต้องห่วงก็พอพูดได้บ้างกลับมาก็เห็น ที่สาวนิ่งไปก็นึกว่าหลับปรากฏว่าไปแล้วไปแล้วไปอย่างสงบเหมือนกับใบไม้ที่หลุดจากคั่วอันนี้ก็เป็นอาการของคนที่เขาพร้อมรับเผื่อความตายเพราะเขาได้ปฏิบัติธรรมมาแล้วคนที่ปฏิบัติธรร ม, มาก็ไม่ได้แปลว่าจะจะไม่ตายไม่ได้แปลว่าจะไม่ เป็นมะเร็งไม่ได้แปลว่าจะไม่เป็นโรกรายไม่ได้แปลว่าวาจะไม่อายุสั้นแต่ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็สามารถทำใจสงบได้อันนี้เรียกว่าแม้โลกกระทำมาแต่ต้องจิต ก, ก็ไม่ห ว, นวันไหวนี่ขนาดยังเป็นปุถุชนนะยังไม่ได้เป็นหนิงปาดิยัตเจ้าก็ยังสามารถทำเช่นนี้ได้เพะฉะนั้นนีเรื่องเรื่องการ การแสวงหามงคลอันสูงสุดให้แก่ตนเองเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำกับตัวเองนะอย่าไปเรียกร้องขอจากใครอย่าไปหวังพึ่งครูบาอาจารย์ว่าเขาจะให้วัตถุมงคลกับเราอยากจะให้พรดีๆกับเราหรือว่าให้สายศินนะให้รับประคฏเราเพื่อจะทาให้เรารอบพ้นจากอันตราย มันไม่มีอะไรที่ดีกว่าการทำความดีด้วยตัวเองเพราะนั่นแหละคือมองคลอันสูงสุดเอาล่ะก็พูดกันเท่านี้กรับพัก